เรื่องที่ห้าเป็นไทยต้องไม่เป็นหนี้ตอนที่สองตอบปัญหาโยมเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสามยังมีอีกประเด็นหนึ่งเพิ่งเป็นประเด็นใหญ่มาก คือระบบการซื้อของผ่อนส่งนะครับรรคือถ้าเป็นคนในเมืองหลวงในกรุงเทพเนี่ยก็นิยมซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อรถยนต์ผ่อนส่งที่นิยมมากๆก็มีอยู่3าอย่างเนี่ยนะครับรคือซื้อบ้านพร้อมที่ดินและรถยนต์เนี่ยผ่อนส่ง <headache. S 2> ทําอย่างนี้กันทั่วไปนะครับรในวัยหนุ่มสาวซึ่งยังไม่สามารถยังมีเงินไม่เพียงพอจะซื้อบ้านที่ดินหรือซื้อรถยนต์ได้ก็ซื้อผ่อนส่งซึ่งก็หมายความว่าเป็นหนี้ตั้งแต่ต้นเลย ลและต้องผ่อนกันไปหลายปีกว่าจะหมดนะครับอาจจะผ่อนตั้ง15ปีถึงจะหมด<ล>อะไรอย่างนี้นะครับส่วนคนต่างจังหวัดยิ่งหนักเข้าไปอีกไม่ใช่แค่บ้านที่ดินกับรถยนต์เท่านั้นอนะ่ะผ่อนกระทั่งเฟอร์นิเจอร์กระทั่งที่นอนหมอนมุ้งนะครับ<ล>คือคือผ่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีขายอยู่ในในร้านค้า<ล>นะครับ<ๆ>จะซื้อทีวีก็ผ่อนจะซื้อตู้เย็นก็ผ่อน<ล>ผ่อนหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับระบบผ่อนส่งเนี่ยมีการโฆษณาให้แพร่หลายระบาดมาก คนตกเป็นหนี้แต่เริ่มต้นเลยเวลานี้ไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะออมทรัพย์ให้มีพอแล้วไปซื้อเงินสด เ, เขารู้สึกว่าถ้าทําอย่างนั้นกว่าจะได้บ้านกว่าจะได้รถเนี่ยต้องรอกัน15ปี20ปีรอไม่ไหวนะครับตกลงเนี่ยการก่อห น, นี้โดยเข้าไปตกอยู่ในวังวนเวียนของระบบผ่อนส่งเนี่ยนะครับ เ, เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการถูกต้องมีปัญญาหรือว่าขาดปัญญากันแน่ คือในแง่หนึ่งก็คือการเปิดโอกาสทําให้คนมีโอกาสชินที่จะมีของใช้มีของที่ต้องการที่จำเป็นเป็นประโยชน์แต่ว่าพร้อมกันนั้นมันทําให้เกิดความประมาทแล้วคนก็มาหาโอกาสคือคนที่เขาเปิดให้ผ่อนส่งเนี่ยเจตนาของเขาก็หาเงินใช่ไหมเนี่ย เจตนามันมุ่งไปที่โลภะตอนนั้นเขาไม่ได้มีจิตใจหวังดีต่อพวกคนทั้งหลายจริงอ้างได้แต่มันก็ต้องการที่จะอ้างได้ก็ต้องเอาผลดีมาอ้างทิ้งไม่จริงนั้นเราต้องยอมรับว่ามันมีผลดีเพราะไม่งั้นเขาจะออมาอ้างได้ยังไงการที่จะเขาอ้างได้ก็เพราะมันมีผลดีบางอย่างแล้วเขาก็เอาผลดีนั้นมาอ้าง เพื่อมาล่อลคนแต่เจตนาของเขานั้นเพื่อเขาเอาเพื่อเขาเอาผลประโยชน์แก่เขาเองอันนี้มันเป็นวิธีการที่เรียกว่าชิงไหวชิงพลิบกันระหว่างมนุษย์ในระบบแข่งขันนั้นคนที่ซื้อเนี่ยก็เรียกว่าคิดไม่รอบคอบไม่รู้ทันก็ต้องรู้สิว่าคนที่เขาให้ผ่อนส่งเนี่ยเจตนาที่แท้เขาต้องการผลประโยชน์ โลภะต้องการให้ได้เงินมากยิ่งเขาทำอย่างนี้เขายิ่งได้เงินมากเขาได้จากใครเขาได้จากเราใช่เราในแง่หนึ่งก็เป็นเหยื่อเขาแต่ว่าในแง่หนึ่งการที่เขาจะได้อย่างนี้เขาก็ต้องเอาผลดีมาล่อเราไอ้ผลดีอันเนี้ยเราเป็นโอกาสถ้าเราไม่มีทางเราทำไงจำเป็นไม่มีทางออกก็ต้องเอาแต่เราต้องทำด้วยความตรหนักรู้เท่าทัน และมีความไม่ประมาทอย่างเต็มที่แล้วก็หาทางที่จะให้ไอ้ผลดีอันเนี้ยมันไปเกือกเก้อกูลเช่นเกือก้อหนุนการทำงานทำกายของเราที่จะขยันมันเพียนไม่ใช่มันหนุนให้ตัวเองเนี่ยมารุ่มหลงเพลิดเพลินจมอยู่ในความประมาทใช่ว่าเราได้อันเนี้ยมาเป็นช่องทางถ้าเราไม่มีเครื่องมืออันนี้มางานการของเราเดินไม่ได้ใช่ไหม เราได้อันนี้มาเราก็ทำงานสิแต่ว่าอย่าไปหลงกับไอ้เรื่องวัตถุเสพบริโภคที่มาบำรุงมูลเล่ความสุขเพลิดเพลินแต่ควรจะเน้นในแง่ของเช่นว่าถ้าระบบขนส่งเนี่ยเราเอาผลดีของมันมาเพื่อจะมาหาอุปกรณ์ในการมาทำงานของเรามาเป็นปัจจัยในการทำงาน อย่างนั้นเราก็ได้เราก็มาทํางานทํากายด้วยความเข้มแข็งขยันมันเพียรทีนี้คนไทยจํานวนมากเนี่ยมันไปตกหลุมล่ออันนี้ซะแล้วเห็นแก่ความเพลิดเพลินใช่ไหมเอาสิ่งเหล่านั้นมาในแง่ของสิ่งเสพบริโภคใช่ว่าเขาให้ผ่อนส่งมาเราจะได้สิ่งเสพบริโภคมาบําเรอความสุขอย่างนี้ไม่ไม่ดีแน่เลย ทีนี้ถ้าเราอย่างนี้นะอุปกรณ์งานอันนี้เราไม่มีเงินจะซื้อพรทน่งได้เราได้อุปกรณ์อันนี้มาแล้วเราใช้อุปกรณ์นี้ไปขยันขันแ ข, ข็งทำงานอย่างเนี้ยโดยเปรียบเทียบแล้วดีกว่าดีกว่าเยอะเลยเพราะว่ามันมีแง่ดีอยู่เพราะนั้นบางทีเราต้องเอาว่าไอ้แง่ดีแง่เสียผลดีผลเสียหักกันอีก ที่หนึ่งอย่างคนที่อย่างที่ว่าอาศัยระบบผ่อนส่งมาเพื่อซื้อวัตถุเสพบริโภคบำรุงบำรุงตัวเองอย่างเดียวได้มาแล้วก็นอนสบายมีความสุขนี่ก็เป็นแย่ลงนะตัวเองก็ตกอยู่ในความประมาทแล้วยิ่งประมาทหนักเขึ้นไปอีกเดิมมันก็ไม่ค่อยประมาทเพราะมันมีไอ้ความจําเป็นทางสังคมบีบรัดมาทําให้ตัวเองต้องขยันมันเพลินตอนนี้ก็เลยเพลินเลย อันนี้เสียมากเพราะนั้นก็อย่างที่ว่าแหละถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้ระบบนี้เราต้องรู้ทันด้วยแล้วก็ทำอย่างฉลาดในการที่จะเอาสิ่งนั้นมาเป็นอุปกรณ์มาเกื้อหนุนการทำงานของเรานี่ได้เรียกว่าเอาละแม้แต่สิ่งที่เราจะผ่อนส่งถ้าเป็นสิ่งเสพบริโภคเพื่อบารุงบำรเ ล, ลอย่างนี้พยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าผ่อน่งเพื่อได้วัตถุอุปกรณ์มาทางานอย่างนี้ เอาอย่างนนี้อันนี้ต้องแยกเลิมพรคือรวมแล้วต้องดูหลักต่างๆโดยเฉพาะความไม่ประมาทเพราะว่าสังคมไทยนี่มีเหตุปัจจัยให้ประมาทมากแล้วก็เขามักจะใช้ระบบรั น, นี้มาหาผลประโยชน์ของเขาโดยอาศัยความประมาทของคนไทยครับต่อไปนี้อยากจะปรารพถึงเรื่องที่ลึกเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับรคือภาวะปลอดหนี้ ภาวะปลอดหนี้เนี่ยมีอยู่สามระดับนะครับรหนึ่งภาวะปลอดหนี้ของของคนทั่วไปนะครับ อ, ร อ, อันที่สองภาวะปลอดหนี้ของหน่วยงานธุรกิจเช่นบริษัทห้างร้านอันสุดท้ายเนี่ยภาวะปลอดหนี้ของประเทศชาติเลยคือหมายถึงของรัฐบาลประเทศชาตินะครับภาวะปลอดหนี้ทั้งสามระดับเนี่ยท่านอาจารย์เห็นด้วยกับระดับไหนบ้างคือหมายควมว่าออาระดับที่1ก่อนนะครับ อันนี้อันนี้เป็นทัศนะความเห็นท่านอาจารย์และเพื่อเพื่อเพื่อว่าให้สอดคล้องกับพระพุทธศาสนานะครับอันที่หนึ่งในระดับคนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยท่านอาจารย์คิดว่าสมควรจะทําตัวเองให้ปลอดนี่โดยเด็ดขาดหรือไม่ทับทํานองเดียวกันนี้นะครับคืออย่างที่เขาบอกให้คนพยายามปลอดอบายมุกหรือว่าปลอดบุรีหรือปลอดสุราอะไรอย่างเงี้ย น, นะครับท่านอาจารย์อยากเห็นชาวพุทธที่เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์อยู่ทั่วไปเนี่ย คิดว่าควรจะปลอดหนี้โดยเดดขาดสิ้นเชิงหรือไม่นี่ระดับทุกระดับมันตอบทีเดียวได้หมดเลยทั้งระดับบริษัทั้งระดับทางร้านประเทศชดับประเทศชาติถ้าปลอดหนี้ได้ก็เป็นอิสรภาพสมบูรณ์ก็เราต้องการอิสรภาพนี่การเป็นหนี้ก็การเสียอิสรภาพตกลงทั้งสามระดับถ้าปลอดหนี้ได้นี่ดีที่สุดใช่ไหมครับดีที่สุดแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่ทําให้เป็นไปได้ ได้หรือไม่ครับผมว่าประชาชนเนี่ยเป็นไปได้ถ้าถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็น ไ, ปได้ัดดบริษทัทห้างร้านก็ยังยังอาจจะเป็นไปได้แม้แต่ระดับประเทศชาตินี่ยากมากนะครับก็มันมันต้องตั้งไว้ว่าได้ก่อนอแล้วตั้งเป้าหมายเอาจริงมันจะได้มีความภาคเพียรเข้มแข็งสู้ตอนนี้เรายังไม่สามารถปลอดหนี้เราต้องตั้งเป้าหมายให้ปลอดหนี้มังงั้นมันก็จมอยู่ในความประมาทอยู่นี่แหละ ปัจจุบันนี้ผมยังนึกไม่ออกเลยว่ามีประเทศใดบ้างแม้แต่หนึ่งประเทศในโลกที่ปลอดหนี้อ่ะยังนึกไม่ออกเลยนะครับไม่ว่ า, าประเทศเจนประเทศรวยเป็นหนี้กันไม่รู้แหละเราตั้งประเด็นไว้ก่อนทีนี้ประเทศต่างๆเขาก็แข่งขันกันหนี้เพระนั้นมันอยู่ในระบบแข่งขันนี่มันยังมีกีรดิกันก็หาทางว่ายังไงไงก็เป็นเจ้าหนี้ให้เยอะๆหน่อยจะไปเป็นจะลูกหนี้สิหาทางเป็นเจ้าหนี้ให้เยอะๆด้วยได้ไหมล่ะเลยบัว ก็เป็นก็เป็นความฝันที่ที่ที่ไม่ทราบจะเป็นจริงได้หรือเปล่าไม่เราจะไปคิดอย่างนั้นจริงไม่จริงนี่เราต้องตั้งเป้าคือตั้งเป้านี่เราต้องตั้งให้ตัวเองมีความเข้มแข็งเด็ดเดียวมุ่งมั่นไม่ใช่มาไปคนเหยาะแยอะไรโลเลโลเลจมอยู่ในความประมาทนั่นแหละรวมแล้วคือคนไทยนี่ต่ตมามองว่าต้องขับเี้ยว ให้ไม่ประมาทในสําสำคัญที่สุดเลยคนไทยนี่เป็นคนผัดเพี้ยนเป็นคนเฉยชาเป็นคนเหาะแหยเป็นคนประมาทลุ่มหลงละเลงอะไรแต่ไรคือปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางวัฒนธรรมมันเอื้อให้คนของเราเนี่ยประมาทเพราะฉะนั้นเราจะต้องต้องเร่งเรา้าเร่งรัดให้มาก เพราะนั้นผมสรุปคำคำกล่าวของท่านอาจารย์รัตกี้นะครับว่าท่านอาจารย์เห็นสมควรว่าเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องว่าทั้ง3ระดับคือประชาชนทั่วไปอบริษัทห้างร้านรวมถึงประเทศชาติเนี่ยควรปลอดหนี้ทั้งหมดต้องพยายามให้ปลอดหนี้เฉพาะเรื่องที่ว่าประเทศชาติปลอดหนี้นี่นะครับเรื่องนี้ถ้าเผือท่านอาจารย์ยืนยันเนี่ยมีหวังได้ลงหน้าหนึ่งนักเศรษฐ์ทุกฉบับในประเทศไทยว่าท่านอาจารย์ซึ่งซึ่งเป็นปราฏ ของประเทศชาติเนี่ยนะครับสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดหนี้ประเทศไทยนี่เป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาตินะครับแต่จะปลอดหนี้นี่ผมไม่รู้อีกห้าสิปีจะทําได้หรือเปยัง<ผ>มไม่รู้เป็นคนถ้ามองเมืองไทยคงยังยากแต่ว่ามันต้องตั้งเป้าหมายตั้งจจตั้งตั้งมันนี่มหาศาลเลยต้องมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามไม่ใช่อยู่กันเฉยแฉเป็นคนที่ว่ารวมแล้วก็คือประมาทนด้นลย คือเลื่อยเปื่อยเชื่อชาผัดเพี้ยนคือก่อนนี้เพิ่มตลอดแทบจะทุกรัฐบาลนะครับอคือใช่นี่ไปบ้างแต่ก่อเพิ่ม เ, เป็นอย่างนี้มาแทบทุกรัฐบาลที่ผ่านม า, านี่เพิ่มนี้เพิ่มนี้เพิ่มนี้เพิ่มเพราะยานั้นที่เราฝันอยากเห็รัฐบาลปอดนี่ไปใช้ปอดเนี่ยมันคือ อ, อย่าไปคิดแต่รัฐบาลรัฐบาลมาขึ้นต่อประชาชนหมายความว่าต้องประชาชนนี่แหละมุ่งมั่นให้ประเทศของตัวเองเนี่ยไม่เป็นหนี้ใคร ต้องประชาชนอย่าไปเอาแต่รัฐบาลรัฐบาลนี้มันเรื่องเล็กน้อยคือถ้าเรายังขึ้นต่อรัฐบาลและประเทศชาติแก้ปัญหาไม่ได้เท่าไหร่ไปไม่รอดมาชารัฐบาลก็เข้าวงจร น, นี้อีกแต่ถ้าประชาชนมีคุณภาพมีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นเด็ดเดียวเพียงพยายามนะต่อไปรัฐบาลมันก็จะดี ประชาชนจะบีบให้รัฐบาลดีขึ้นมาได้ถ้าประชาชนแน่จริงมีคุณภาพแต่อตอนนี้ประชาชนมันไม่มีคุณภาพเพราะนั้นมันก็หมุนเวียนมาได้รัฐบาลเดี๋ยวได้ก็ต้องหมุนเวียนมาได้รัฐบาลแย่อีกแหละถึงถ้ามีรัฐบาลดีขึ้นมาพักหนึ่งรัฐบาลดีก็มาหนุนให้ประชาชนดีขึ้นได้บ้างแต่ถ้าประชาชนยังไม่ได้เรื่องมันก็เรียกร้องให้รัฐบาลไม่ดีมาอยู่จนได้แหละ ดันั้นต้องพัฒนาคุณภาพประชาชนแม้แต่รัฐบาลเองก็ต้องมุ่งมั่นมาพัฒนาคุณภาพประชาชนให้ได้ไม่ใช่มามุ่งหาประโยชน์จากประชาชนก่อนจะจบการสนทนาเรื่องนี้เนี่ยนะครับรผมอยากพูดถึงเรื่องนี้บุญคุณเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับ<อ>มีผู้กล่าวให้ผมฟังบอกว่าผู้มีปัญญาที่ปรากฏอยู่ในพระใจปีดกเนี่ ย, ยนอกจากไม่ก่อหนี้ทางทรัพย์สินเงินทองแล้ว จะไม่ยอมให้ตนเองตกเป็นหนี้บุญคุณของผู้ใดด้วยดูตัวอย่างที่ชัดเจนจากพระโพธิสัตว์ทุกภพทุกชาติกับพระพุทธศาสนาไม่ยอมให้มีหนี้บุญคุณเลยคือหนี้ทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีหนี้บุญคุณก็ไม่มีเช่นพระมหาชนก ตอนที่แหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรใหญ่นะครับนางมินีเมฆขาเหาะผ่านมาถ้าเผื่อเป็นคนทั่วไปที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาต้องร้องเรียกให้เทวดาคุณนางมิีเมฆขาช่วยว่าช่วยด้วยช่วยด้วยซึ่งถ้าขอให้ช่วยแล้วเขาช่วยเนี่ยะจะตกเป็นนี้บุญคุณนางมิีเมฆขา ท, ทันทีซึ่งนึกมาตกเป็นนี่บุญคุณแล้วจะต้องมีการใช้นี่บุญคุณจะต้องตกเป็นบริวารของนางมินีเมฆขาเลยจะหมดอิสระเลยนะครับแต่พระมหาชนกไม่ขอให้ช่วยแม้แต่คําเดียว สุดท้ายนางมีแม่หาช่วยเองอพอช่วยเองก็เลยไม่เป็นนี่บุญคุณเลยไม่หมดอิสระอันนี้เป็นความจริงอย่างนั้นไหมครับที่ว่าท่านไม่ขอให้ช่วยเพราะแกลงจะตกเป็นนี่บุญคุณจริงตามนั้นหรือเปล่าครับคือเฉพาะเรื่องหมาชน ก, ก็มีแง่พินาในแง่ที่หนึ่งก็คือว่าเมื่ อ, อยังอยู่เป็นคนมีปัญหาต้องพยายามแก้ไขต้องเพียรพยายามรม เพราะนั้นก็จะเป็นคำโต้อตอบระหว่างนางมณีเมคขลศที่เป็นเทวดากับมหาชนกที่เป็นโพธิสัตว์ว่ามหาชนกเนี่ยเรือแตกแล้วก็มาว่ายน้ำอยู่แล้วก็มองมาเห็นฝั่งก็เพียรพยายามมาหยุดหย่อนใช่อันนี้ก็ไม่เรียกร้องไม่ขอความช่วยเหลือจากเทวดาเลยทั้งนั้นขณะที่พวกที่ขอ อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากเทวดาตายหมดแล้วเงั้นเรือแตกก็ตายกันหมดก็มาชนกนี่ก็พยายามต่อก่อนที่จะเรือจะแตกจะลงน้าก็แทนที่จะไปมัวอ้อนวอนเทวดาก็มาคิดว่าหาวิธียังไงจะอยู่ในน้ำได้นานที่สุดใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต้องไปอยู่ตาแหน่งไหนของเรือต้องเตรียมอะไรบ้างมีน้ำมัน มีไม้ที่จะเกาะมีอะไรแต่ะไรตำแหน่งเรือกงไหนที่ดีที่สุดเวลาจมแล้วไปอยู่นั้นเวลาเรือจมน้ําปั๊บก็อยู่ได้นานที่สุดใช่ไหมที น, นี้ไอพวกนั้นอ on ้อนวอนเทวดากันไม่ได้ทําอะไรเลยตายหมดอยู่ไม่ได้นานนี่ในขันที่หนึ่งนะหมายความว่านี่คือการใช้ความเพียรพยายามของพระโพธิสัตว์ทีนี้แล้วไม่ยอมเป็นหนี้บุญคุณเดี๋ยวดีก็เพียรพยายามไป ทางท่านที่ไม่เห็นทางก็ไม่ได้ขอร้องอ้อนวอนเทวดาอะไรแล้วก็เพียรพยายามไปนางมณีเม่ขลาดมีหน้าที่ตรวจทะเลก็เลยมาดูก็เห็นว่ายน้ําอยู่ก็รู้ว่าเป็นคนดีน่าจะช่วยเหลือแต่ว่าทดลองกันก่อนก็เลยมาว่านี่มาทําอะไรอยู่เรือแตกว่ายน้ํามาเห็นฝั่ง ไหว้ไปไม่มีประโยชน์ร็อกบอกเอ้าก็ฉันยังมีแรงอยู่นะยังไม่ตายก็ต้องเพียรพยายามหาทางไปนะถึงมาเห็นฝั่งก็ต้องเพียรหาทางแล้วกค็คุยกันไปเนี่ยและวท่านตอนหนึ่งท่าก็บอกว่านี่ฉันเพียรพยายามอย่างเงี้ยถึงตายก็ไม่เป็นหนี้ใครว่างั้นนะก็จบลงที่เนี่ยแล้วในที่สุดนางม น, นีเมฆขลาก็เลย มาช่วยพาขึ้นฟังไปนอ๋ อ, อท่านท่านกล่าวว่าถึงตายก็ไม่เป็นหนี้ใครใช่ไหมครับแสดงว่าท่านตั้งใจไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใคร ก็ไม่เป็นนี้ทางนั้นแหละไม่วันนี่อะไรทางนั้นแสาธุครับ <c oughs> ทีนี้ทีนี้ผมพักเรื่องนี้มัน <c oughs> มีเรื่องที่สองคือเรื่องพระอุปคุตเถระนิดนึงนะครับอา้าวอันนี้พอแล้วเลยเลยคือคือเรื่องนี้เนี่ยของของของผมพักไว้ก่อนเพราะผมเกรงว่าเวลาเห<อ>็นท่านเห็นท่านการุณบอกว่าพยายามอย่าให้เกินหนึ่งชั่วโมงครึง่งเลยเลยทีนี้ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสักสิบห้านาทีหรืออะไรทํานองนี้เนะครับก็เลยพออย่างงั้น เลาอยากจะขอไปเรื่องพระอุปคุตเลยพี่สอนเรืเ่องเรืเ่องเรื่องพระอุปคุตน่าจะเรื่องสั้นครับ<ง>คือผมออกจะแปลกใจครับว่าในพจานานุกรมพุทธศาส์ฉ บ, บ, บับประมวลสา์ของท่านอาจารย์เนี่ยก็มีพระเถระสําคัญในยุคพระโสดาลอดครบถ้วนเลยเลไม่ว่าพระเนี่ยครับม่อขิบุติสายเถระม า, ายินทเถระโสนเถระอุตตเถระแต่เหตุใดไม่มีพระอุปคุตแตเถระอยู่ในพจนานุกรมเล่มนั้นครับคือถ้าพูดแบบภาษาสมัยใหม่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 พระอุบคุตเนี่ยมีชื่อปรากฏอยู่ในคัมภีร์สักสองแห่งเท่า น, นั้นเองนะหนึ่งก็ในคัมภีร์ยวยากรณท่านก็พูดเชิงว่าพระอุบคุตเนี่ยเก่งในเรื่องปราบมารแล้วก็อีกแห่งหนึ่งในคมพีชันดีกาก็พูดในเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับว่าท่านเก่งในเรื่องแก้ไขปัญหาจากการที่มารจะรังแกอะไรพวกนี้ยรวมแล้วก็คือพระอุบคุตเนี่ยมีชื่อในเรื่อง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 แล้วก็คณะสงฆ์ก็ตั้งพระชื่ออินทขุธเนี่ยพระอินทขุตเถระให้เป็นพระดูแลการก่อสร้างของพระเจ้าอาโศกเนี่ยโดยเฉพาะที่วัดที่อโศการาม <c oughs> คือที่อโศการามก็เป็นวัดของพระเจ้าอาโศกมหาราชก็สร้างวัดในชุด 84,000 นี่พันนี้ด้วยพระแน่นอนว่าวัดที่อโศการามเนี่ยก็ต้องยิ่งใหญ่ที่สุด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 ชื่อว่าสมันตปาสาธิก า, ก, าก็มีนามพระอินทคุตลที่ว่าเนี่ยซึ่งเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีส่วนพระอุปคุศลอยูเห<ว>มือนเป็นสันสกฤตใช่ไหมครับไม่ไม่ก็มีในบาลีแต่ว่ามีน้อยแห่งแม้ก็มีพูดแค่พูดถึงนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่านามท่านเพี้ยนไปเพราะพูดต่อต่อกันมาพระอินทคุศยอาจจะเป็นอินทคุตลนี่แหละมีมากกว่าอุปคุศไปคืออุปอินทคุตนี่มีเรื่องวีราวเลย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 แต่อินทคุธนะมีเรื่องราวเล่าเลยต่างกันแล้วก็อินทคุธนะก็หมายความมีเรื่องราวในคำภีที่เป็นขั้นต้นกว่าเช่นอัติคตาแล้วก็เรื่องราวก็มากมาในมหาวงก็มีเรื่องนี้เรื่องที่ท่านดูแลการที่มาจะเข้ามาลังควานกันมาในต่างๆในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไปงานใหญ่เลยพอดทั้งที่ อินเดียในชมพูทวีปและที่ทางลังกาทวีปเรื่องมันยาวคนนี้ก็รวมแล้วก็คือเรื่องของพระพระอินทรคุณเนี่ยก็มีเรื่องมากในคัมภีร์ก็น่าจะเป็นองค์เดียวกับพระอุปคุตนี่แหละแล้วอุปคุตนี่ก็คือนามท่านอาจจะเรือนมาแล้วก็พอมาถึงเมืองไทยเพราะคนไทยนี่ คงจะชอบเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารมากกันเลยชอบพระอุปคุตคือบังเอิญกระแสที่เลื่อมใสศรัทธาพระอุปคุตมากเนี่ยนะครับามาจากทางล้านนาคือภาคเหนือของประเทศไทยนะครั บ, รบคนทางละแวกเชียงใหม่เชียงราย <c oughs> พวกนั้นรับรับแนวนี้มาจากพม่าอีกทีหนึ่งจนที่เชียงใหม่เนี่ยในตัวเมืองเลยเนี่ยมีวัดอุปคุตอยู่ อ ย, อยู่ใกล้ไนบาซาเลยนะไ น, นบาษาเลยนะครับคงจะมาจากแถวิตริริศปาฏิหารปราบมารเก่งแ ล, แล้วที่พมา่าผมเคยยินว่าโอ้โหบูชาพระพุทคุถกันมากเลยนะครับรถ้าตามที่ผมได้ยินมาเนี่ยเขาถือกังี้ครับเขาถือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยถูกเทวปุตตมารรบกวนอยู่ตลอดเวลา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 พระภิกษุในยุปัจจุบันนี้ก็ไม่มีปรากฏว่าผู้ใดมีที่ปฏิหารเพียงพอเลยต่อต้านฤทธิ์ของเทพบุตรมารหรือพิยามารไม่ได้เลยพระพุทธศาสนาเลยเลยเหมือนกับแลกลงเรื่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆ<ช>ถูกถู ก, ถกอิสลามบ้างคริสต์บ้างย่างชิงมวลชนไปมากมายและพุทธแลกลงเรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นที่ทําให้คนส น, สนใจสนใจว่าน่ากลัว<ช>พุทธศาสนาจะต้องมีผู้มีที่ฐานมามาช่วยปกป้องรักษาพระศาสนาแบบอุบคุษบ้าง เพราะอย่างนั้นเนี่ยครับอยากครับและอยากนิมนต์ท่านอาจารย์เลยว่าถ้าจะทำพระพุทธเจ้าท้ากรมแก้ไขเพิ่มเติมครั้งต่อไปจะเติมทั้งพระอุปคุตและพระอินทรคุตได้ไหมครับพระอินทรคุตนี่ผมไม่เคยได้ยินเลยครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็นั่นแหละมีหลักฐานยร่งกับพระอุปคุตอาจารย์จะเติมในการแก้ไขไว้ดูอีกทีคือหมายความถ้าจะให้สมบูรณ์มากมายเชิงตำนานอะไรแต่ละเรื่องใส่ด้วยแต่ทีนี้ว่าเรื่องว่าการปราบมารสาคัญเนี่ย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 นี่ยถ้าไม่มีพระโมคคะลีบุตรติสเถระไม่มีพระมหินเทเถระซึ่งเป็นบุคคลในปรติศาสตร์และเป็นผู้นำในทางปัญญาทางธรรมะเนี่ยพระอุปคุตจะมาช่วยอะไรได้ใช่ไหมหรืไปไม่รอดหรอก <สา S 1> จะมีตริตมีแต่มา ป, ปราบมารอย่างเดียวไม่ไหวหรอกนะมันมารมั น, ม, นมาก็คือว่าเป็นตัวประกอบนะเป็นตัวหลังควานไงเรียกว่าตัวหลังควาน ทนี้ท่านมีแล้วมีพระมหินตเณฑละมีพระโมกขลีบุตริสเทศเลเป็นหลักให้แล้วแต่ทีนี้พระอุปคุตก็มาช่วยปราบมารเรื่องงานก่อสร้างงานอะไรงานฉลองพระธาตุอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านถ้าเทียบสมัยพุทธกาลก็จะเห็นว่า พวกเก่งธุรการเนี่ยเขาเรียกว่าพวกเก่งฤทธิ์ยมพอเข้าใจไหมงานธ <'s> ุรการเนี่ยเรียกว่าเรื่องฤทธิ์ <'ll> อ๋อิอ่าเรื่องฤทธิ์คือการจัดการแก้ไขปะนะัญหาจัดเรื่องตัวไปแต่พวกตัวเนื้อหาทางปัญญาเนี่ยต้องมีอยู่เหมือนอย่างสมัยพุทธกาลอัครสาวก ข, ของพุทธเจ้ามีฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาภาษาริบุตร เอตทธาคธาทางปัญญาธรรมโมคคลานะเอตทธาคธาทางฤทธิ์ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วบุคคลไหนที่สําคัญน่ะที่จะให้พระสศาสนาอยู่ได้แท้จริงพระษาลิบุตรใช่ไหมช่งางภาษาลิบุตรเลยพระโมคคลานี่เป็นรองมาตมมาช่วยงานธุรการไงก็ต้องมีพระที่เก่งธุรการด้วย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 จากหนังสือพจนนุกรมพุทธศาสตร์ของท่านเจ้าคุณนะครับอาจารย์ว่าผู้ที่เป็นต้นดําริให้เผยแผ่พุทธศาสนาออกไปหลายๆประเทศเนี่ยจนมาถึงประเทศไทยบ้างศีรังกายบ้างเนี่ยก็คือพระโมคคะีบุติสเตระนะครับอ๋อไม่ใช่โมคคันลานะนี่โมคคะีบุติโมคคะลีบุติสเตระอันนี้ข้อมูลจากหนังสือพจนนุกรมนะครับท่านอาจารย์เขียนไว้ชัดเจนว่าผู้ที่เป็นผู้ที่มีความดําริหรือเป็นต้นคิดจะส่งพุทธศาสนาออกไปนอก ออกไปนอกอินเดีย <screen medal. S 2> เนี่ยนะครับจนมาถึงไทยหรือสิ่งต่างเนี điều, ่ยเป็นพระโมคคิริบุตรติสเทระเพราะอย่างนั้นที่ท่านส่งออกไป9้าสายเนี่ยเป็นความดําริของท่านทั้งนั้นเลยเพราะท่านเป็นประธานสงในยุคนั้นท่านเป็นประธานจัดสังขยาานะครับแต่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ครับผมออกเที่ยวตะเวนทั่วประเทศไทยค้นหารูปปั้นรูปหล่อของพระโมคคิริบุตรติสเทระผู้เป็นต้นคิดให้นําพุทธศาสนามาถึงประเทศไทยหารูปปั้นรูปหล่อของพระโมคคลริบุตริสเทระแม้แต่หนึ่งองค์หาไม่พบครับ ที่วัดพระปะถมเจ <Yeah. S 1> ดีดูเหมือนจะมีดูเหมือนนะครับ <Yeah. S 1> ดูเหมือนจะมีรูปหล่อรูปปั้นของพระโสนเทระกับอุตรเทระซึ่งจริ ง, รงๆแล้วเป็นบริวารที่ที่พระโมโอกระวะส่งมาเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> ทําตามคําสั่งเท่านั้นเองส่วนวัดอโศกการามที่อยู่สมุทรปราการนะครับ <Yeah. S 1> ผมก็ไปตรวจสอบโดยละเอียดคุยกับพระ <Yeah. S 1> ผู้ใหญ่ในนั้นก็มีรูปปั้นพระโสนเทระ พระอุตตระเถระและพระอุปคุตเถระ <sealing that. S 2> แต่ไม่มีพระโมคคิริบุตริสัเถระ <exact. S 2> อีกผมเลยนึกในใจว่าคนไทยนี้หลงลืมพระสําคัญรูปนี้กันไปเสียแล้วเมืองไทยจะไม่มีพุทธศาสนาเลยถ้าไม่ได้พระรูปนี้เนี่ยครับเลยอยากฝากไวไ้ในไว้ไว้ในที่บันทึกเทปแล้วก็อาจจะพิมพ์เป็นหนังสือเลยว่าขอให้ช่วยกันสร้างรูปเหล่ารูปปัน้นพระโมคคิริบุติสาเถระหน่อยเถอะไม่อย่างนั้นคนจะลืมชื่อท่านไปหมดไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครท่านเป็นคนนําพุทธศาสนามาประเทศไทย จะฝากไปยังไงครับนรุยานอกจากพระสมเด็ยังมีพระสงฆ์มาราชที่วัดโสการามอ๋อครับ ค, คือถ้ารูปหล่อรูปปั้นพระเจ้าสมม า, าราชที่วัดโสกรามทําองค์ใหญ่เลยนะครับแต่นอกจากที่นั่นแล้วที่อื่นๆก็ไม่ค่อยมีใครทํากันนะครับออ แ, ตแต่เนี่ยเอาละพระเจ้าสงฆ์มาราชอย่างน้อยก็มีองค์ใหญ่และที่วัดโสการามแต่พระโมกขลีบุติเสลายนี่คนไทยลืมหมดเลยนะครับและเวลาเวลาสอน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 เป็นหลักของพระศาสนาพระโมคคลีบุติสเทระเป็นผู้ที่แก้ปัญหาทางปัญญาเป็นผู้ที่ให้คำสอนชี้แจงคำสอนไหนผิดอันไหนถูกมันยังไงเนี่ยคนไทยไม่สนใจ <c oughs> ใช่ไหมเอาแต่ลึกริด <c oughs> เพราะนั้นคนไทยพุทธศาสนาอยู่มาเท่าไรปีกี่ร้อยเป็นพันปีก็อยู่อย่างเงี้ยไม่เข้าถึงเลย ตัวสาระตัวเนื้อหาเนี่ยไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาเร่งนี้ด้วยท่านอาจารย์มีโอกาสได้พบแผนรูปหล่อรูปปั้นพระโมคคิริบุตรเศธระที่ไหนบ้างสักไม่เห็นองค์อธรมาก็ไม่เคยได้ดูอยู่ในปุโรห็นไม่พเลยผมก็ไม่เห็นไม่พบครับรูปปั้นพระอุปคุตอธรมายังไม่ได้ไปดูเลยผมผมกำลังเชียร์ให้ทางวัดอุโศกรามสร้างอยู่เขาเขาบอกเขารับไว้พิจารณายังไม่รู้จะสร้างหรือเปล่าผมบอกถ้าสร้างผมจะเป็นหนุนเต็มที่นะครับเขาบอกรับไว้กันเนี่ย เ ล, พล่พรติดในฤทธิ์ในเดชอะไร น, นะผมกงกับจากกุฏิธานีจังหวัดที่อาจารย์ฉริปเพชรชัยท่านาอาจารุทอาจาย์คงทราบดีอาจารย์ฉลิบเพชรชัยเล่พรรู้จักดีท่าเป็นอาจารย์แล้แล้วก็ผ่านวัดทุ่งแก้ววัดของอาจารย์ฉลิบเพชรชัยมีคําประกาศที่หน้าวัดอขอเชิญบูชาพิฆเนศนํามาจากอินเดีเยเสริมสิริมงคลณนะวิหารวัดทุ่งแก้วผมก็เข้าไปดูไปกันใหญ่แล้วท่านอาจารย์ หมายความว่าไปงานศพหมอเอชคนเสษณีดีพ่อประแดงซ้ายมือเป็นรูปสาวกของพระพุทธเจ้าขวา ม, มือเป็นรูปพระพิฆเนศอ้าวเอาอี้ใหญ่แล้วมากับมีิพาสนาบหลวงเมื่อกี้วัดพระเชษฐาจุเลนทรนอะไรร อ, อพระพิฆเนศสามเมตรครับสามเมตรอีกแล้วห้าหกัญยาและววสีสุดาเอาอีกแล้วต้นตำรับมหาจุฬาสร้างพระพิฆเนเอามันไปก็ใหญ่กันทันอาจารย ท, ที่ทันอาจารย์พูดเป๊ะเลยครับนี่แหละท่า น, านเอาพระอุปคุตพระอินทรคุตมา เพื่อกันพวกพระคิกคเนตเป็นต้นการไว้พราะมิชนะแล้วพวกนี้จะเข้ามาวุ่นวายเต็มไปหมดคนจะเหเขวเพราะว่าพวกนี้มาแล้วมันดึงออกนอกลู่นอกทางมันไม่ใช่ฤทธิ์แค่ฤทธิ์ที่เป็นธรรมะอย่างพ Good, ระอินทกุศว่าคุณเนี่ยฤทธิ์ของท่านเนี่ยมาสื่อธรรมะได้เพราะเป็นตัวกลางเป็นสื่อบันไดที่จะดึงเข้าธรรมะทีนี้ทําไม่มีพระอุ ป, ปคุณอินทกุศพวกพระคินพิกเนตพระพวก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 ที่นี้พุทธจะนับถือพุทธกว่ากันไปนี่พุทธสมณโภพพุทธแต่ปาก9 5้าปร์เ็นยังไปอะไรยุ่งไปภาคกี้กแน่ดิอกันหมดครับท่านทีจานยก็นั่นสิกะีิงคนสนิทของพี่สุติยาเนี่ยกขชอบพนคว้าการเข้าทรงครับกาตะลีริงชาวชิกที่มาศึกษาบิทรมแกไปมาทั่วหมดก็บอกอเจ้าอินเดียเจ้าแขกนี่ทำไมมาอยู่เมืองไทยเยอะแยะ ก็เป็นคนที่นครปฐมครับแต่มาเชิญเชิญเชคนที่นครปฐมก็เข้าองค์ทรงเจ้าแม่มาเทวีกันเลยอันก็บพูดภาษาแขกกันอับเกยใจแฮอับกันนำเกยแฮพูดก็ไปก็มาเจ้าทรงก็ตอบมาแกก็บอกนี่มันไม่ใช่ภาษาแขกเนี่ยโอ้ต้องวิ่งหนีเพราะว่าเขาไปที่ค้ากินก็คว้าปืนไปหลอกคนตีเจอคนแขกจริงเข้าเลยที่เริ่มในงานแห่พระอวัดแขกจีลมนะครับ คนไทยไปกันเยอะอีกอ้าวนับถือพุทธก็ไปนับถือฮินดูกันอีกคื อ, อคนนี้แหละคนไทยตอนนี้ก็คือเห่อ อ, อกจากเนื้ อ, ห, อห า, าสาระสแล้วก็ส่วนมากจะเป็นพวกเข้าทรงเยอะเป็นพวกตุ๊ดเยอะกับชาติกุนชาติชอบเป็นเจ้าแ ม, ออมาวม้าเทวีอะไรยเ<อ>นี่คือสถานการณ์พุทธศาสนานปัจจุบันใช่ก็คือเนี่ยอาจารก็เคยพูดบอกพระพรหมมาใหญ่เมืองไทยถูกขับไล่มาจากอินเดียอ้าว พระพรหมเนท่านขอภัยถ้านใช้ภาษาไทยท่านเรียกว่าตกกระป๋องครับในอินเดียนะคือพระพรหมเนี่ยยิ่งใหญ่มากต่อนพระพุทธเจ้าอุบัติเนี่ยพระพรหมเป็นใหญ่ใช่ไหมต่อมาพอสสักสี่ห้าร้อยก็เริ่มตกตกมากแล้วก็มีพระวิษณุกับพระศิวะขึ้นมาพระนารายกับพระอิศวรขึ้นต่อจากนั้นพระนาราย์อิศวรก็ขึ้นมาเป็นใหญ่ ยังกระทั่งคนศาสนาพราหมณ์นี่ก็เรียกใหม่ว่าศาสนาฮินดูแล้วก็แยกเป็นสองนิกายนิกายนับถือพระวิษณุหรือพระนารายเรียกว่าไวยสนพแล้วนิกายนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเรียกว่าไสายวะอินเดียตอนนี้ก็มีนิกายใหญ่อยู่แค่สองนิกายส่วนพระพรหมนั้นไม่มีที่อยู่แล้วอินเดียน่ะนะพระพรหมนั้นต้องอาศัยวัดของสองนิกายเนี้ยคือพอเขามีวัดของเขามีเทพเจ้า พระศิวะวิษณุพระพร t h ก็ไปอยู่ด้วยแต่พระพร t h เนะี่ยไม่มีอิสระความเป็นใหญ่แหละที่อินเดียปรากฏว่ามาใหญ่อยู่ที่เมืองไทยนี่ต่อไปต่อไปพระวิษณุนารายกับพระอิศวน <c oughs> ก็จะต้องตามมาเมืองไทยนะฮะตามมาหน่อยและมาเป็นพระตรีมูรติตรีมูรตินี่คือรวมสามใช่ไหมมีพระศิวะวิษณุแล้วก็พระพรม อันนี้ตอนนี้ต่อไปต้องคอยดูและพระวิษณุนารายกับพระอิศวรสิวะเนี่ยจะมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้พระพรหมก็จะแย่อีกหาที่ไปใหม่ <c oughs> เล่คนไทยเนี่ยไม่เรียนรู้ไม่หาความรู้เรื่องสติปัญญานี่ขอภัยไม่หาก็น่าจะรู้ว่าพระพรหมที่ตัวนับถือคือใครมาจากไหนแล้วเป็นยังไง ไม่รู้เรื่องเลยเอาแค่ว่าเขามีฤทธิ์จะสนองความต้องการในการขออ้อนวอนได้ก็เอาไม่ต้ังรู้ล่ะเอาแต่ได้แสดงว่าเมืองไทยขนาดนี้มันตกต่ำไปหมดทุกทางนะครับท่านอาจารย์ก็ตกตามความเพียรพยายามไม่มีตกอยูในความประมาทการทหารตำรวจบริหารการเมืองตกต่ำหมดตกต่ำก็ต้องยอมรับก็ตอนนี้ถึงได้เน้นบอกว่าปัญหาที่หนึ่งของเมืองไทยปัญหาคุณภาพคนการศึกษา ก็การศึกษานั่นแหละคือการพัฒนาคนครับผมขออนุญาตแซมท่านอาจารย์ตอนนี้ดูทีวีช่อง9ม้ันท่านพอดีมีอาจารย์จากยูราบอกว่าในสวีเดนเขาสอนคนให้คิดเป็นก่อนเขาจะไม่ยอมเรียนวิชาเฉพาะด้านให้เรียนปรัชญาสปีครับท่านอาจารย์ให้คนคิดเป็นก่อนครับเพื่อไปเรียนวิชาเฉพาะด้านเขาสร้างคนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่คนไทยอแตมาว่าต้องเน้นการหาความรู้คนไทยนี่บางทีข้ามไปคิดเลย ไม่หาความรู้รู้ไม่ชัดรู้ไม่จริงรู้ไม่ท่องแท้คิดคิดบนฐานข้อมูลที่ไม่เป็นจริงคิดเอาหมายความว่ า, าได้ข้อมูลนั่นนิดนีด่หน่อยคิดแหละอย่างนี้ใช้ไม่ได้จะไปเน้นนักนะหรือพอดคิดเป็นนะใช่แต่ว่าต้องคิดบนฐานของความรู้ต้องเน้นมากคนไทยนี่ขาดอย่างยิ่งเลย ความใยรู้หาความรู้ให้ทองแท้แน่ชัดไม่มีอึศกดก็จะคิดเลยพอด่าเชิญผมคิดว่าสมควรเก็บเวลาเดี๋ยวจะเลยเวลาที่ท่านการุณกำหนดให้นะครับเพราะว่าท่านอาจารย์มีปัญหาสุขภาพนะครับเผื่อโยมจะเปิดโอกาสให้ใครหรือเปล่าล่อไม่ทราบมีโยมท่านอื่นจะก็สุดแต่ท่านอาจารย์แต่ผม หวงปัญหาสุขภาพท่านอาจารย์นะครับ อ, อจะมาพอสู้แล้วต้องสู้เต็มที่จะจะหน้า ม, มือก็ต้องสู้เฉพาะของผมกับผมเองเนี่ยผมผมจะขอจบตรงนี้นะครับเแล้วก็ขอขอกราบขอกราบออขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสพวกเรามาได้รับความรู้เป็นอันมากแล้วอยากฝากย้ําอีกรอบหนึ่งครับว่าท่านอาจารย์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 ท่านอาจารย์เองเปรียบเหมือนภาษาดิบเหมือนเห <คง S 2> <ร>มือนต้องการภาษาดิ บ, บคือสาปัญญาสาสารเล็กๆองค์หนึ่งสายสาระาปัญญานะครับ <c oughs> แต่เมืองไทยเนี่ยขาดผู้มีทิฏฐิปฏิหารแบบพระอุปคุตพระอินทรคุดจนเวลาเนี่ยเทวประปุตมานกําลังรบกวนพระสงฆ์ในพิศไทายอย่างหนักผมเนี่ยพยายามสะกดรอยตามว่าเทวปุตมานกําลังทําอะไรอยู่ในพิศไทยผมพบร่องรอยไม่ใช่น้อยนะครับซึ่งไม่มีเวลาเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังผมพบร่องรอยว่าเทวปุตมานกําลังทํางานหนัก แล้วเทวปุตตมานองค์ที่กําลังทำงานหลักเวลาเนี้คนละองกับที่รบกวนสมัยโ น, น้น เ, เพราะว่าองค์ที่รบกวนสมัยโ น, น้นท่านปรากปนาพุทธภูมิแล้วท่านเป็นสมาธิติไปแล้วบัตรนี้มีเทวปุตมานองค์ใหม่องค์ใหม่ที่มาเป็น เป็นเจ้าะนะครับรองค์ใหม่มาแทนที่แล้วและองค์ใหม่กําลังทํางานในลักษณะที่ใช้เทคนิคไม่ซ้ํากับองค์ก่อนเลยแทวปุตุมานองค์ปัจจุบันนี้ใช้เทคนิคใหม่และพุทธศาสนากําลังอาการหนักเพียบ เ, เ, เพราะฝีมือของเทวปุตุมานองค์ใหม่นี่ครับรใช้เทคนิคที่ต่างต่อดปสิ้นเชิงเลยกับองค์ที่รบกวนพระพุทธองค์และพระอุปคุตได้ปราบไปแล้วตอนนี้มีองคใหม่ใช้เทคนิคใหม่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสจะเล่าถวายท่านอาจารย์โอกาสต่อไปครับมาโมทนาด้วยทีนี้ที่ว่า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 ถ้ามีแต่ไฟเนื้อหาสาระจัดการไม่เป็นก็ไปไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมลูกพ่อนก็เป็นเรื่องใหญ่เลยจัดการเนี่ยนี่มันก็แต่มันก็ต้องอาศัยพื้นฐานปัญญาแล้วคนที่จะจัดการได้ดีก็ต้องเข้าถึงสาระและ้วกำมัดเชื่อมว่าจะเอาสาระออกมาสู่การปฏิบัติอย่างไรเนี่ยจะต้องจัดการให้สําเร็จแล้วเรื่องนี้แล้วยมยังมีอะไรไม่มีแง่อะไรเลย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 คืยิ่งเราเป็นนี่ยิ่งต้องไม่ประมาทหนักเขึ้นไปอีกใช่ไหมคนที่เป็นนี่เนี่ยตามหลักเราต้องยิ่งไม่ประมาทถ้าก็มีตัวมาบีบคั้นแหละเราหมดอิสรภาพนี่เราเสียอิสรภาพเราจะต้องเร่งแก้ไขอะไร น, นะแก้พันธนาการใช่ไหมแก้เครื่องผูกมันไม่ใช่มาเพลินอยู่จนกระทั่งเขาขังไว้ตัวเองก็เพลินอยู่ในที่ขังใช่ไหมมีคนที่เพลินในที่ขังก็มีใช่ไหม เพราะเขารู้จักรอเออนี่ก็ระวังนีคนไทยเนี่ยทําไงจะถอนตัวออกได้เป็นอิสระให้สมชื่อไทยจริงๆสักทีนะเออไทยเป็นไทยเป็นอิสระแต่ตอนนี้ต้องถามตัวเองว่าเป็นอิสระหรือเปล่านีหรือเต็มไปด้วยเครื่องผูกมัดพันธนาการหรือแม้แต่เป็นทาสไปแล้ว ไม่เป็นธาตุอย่างน้อยเป็นเหยื่อซะเยอะเลยนะใช่ไหมเลยบอยเวลาเนี้ยเป็นเหยื่อมากนะคนไทยเนี่ยแม้แต่ระบบไอทีอะไรแต่อะไรเนี่ยคนไทยนี่ยอยู่ในภาวะเป็นเหยื่อมากเหลือเกินจริงไหมอาจารย์เอ่คือแทนที่จะเป็นนายของไอทีนะไปเป็นเหยื่อไอทีซะมามันต้องคิดยงไงแง่เหล่านี่จะเป็นนายจะเป็นผู้ใช้เป็นผู้กระทํำยังไง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 ถ้าเผื่อจะมีการรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาที่บันทึกเทปไว้วันนี้ออกเป็นหนังสือซึ่งผมจะช่วยค่าพิมพ์สำหรับสื่อเต็มที่นะครับท่านอาจารย์ชอบชื่อไหนครับผมเสนอชื่อหนังสือไว้สองชื่อแล้วชื่อแรกคือนี่ตามคำสอนในพระพุทธศาสนาส่วนชื่อที่สองผมใช้ชื่อว่านี่วิกฤตโลกในยุคปัจจุบันนี่ผมเสนอไว้สอง <S <S แต่ท่านอาจารย์อาจจะใช้ชื่ อ, อที่ท่านง า, า, านนก็เป็นไทยต้องไม่เป็นนี่ <laughs> เอานี้ตรงเป้งเลยนะเอาชื่อใดให้ท่านอาจารย์เลือกเรล่าเอาจะมาเสนอหนึ่งให้ให้ท่านอาจารย์ชอบนี่ว่าอยากอยากอยากได้ชื่อเป็นนีผมอยากได้ชื่อที่ดึงดูดให้คนมาอ่านกันมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนะครับอคือคือถ้าถ้าชื่อบางชื่อคนเห็นแล้วไม่อยากอ่านสมัยนี้ต้องตั้งชื่อให้ทําให้คนอยากอ่านนะครับท่านอาจารย์ช่วยเลือกเฟ้นกันแล้วกันหน้าอ่านเวละเป็นไทยต้องไม่เป็นนี่ดีครับเอ่า แล้วก็แล้วก็ชื่อที่ผมเขียนมานี่ผมก็ชอบใจนะนี่วิกฤตโลกในยุคปัจจุบันอันอันนี้ท่านอาจารย์ลองลองพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบอีกทีงว่าจะเอาชื่อไหนแต่ชื่อที่ท่านอาจารย์เสนอผมก็ชอบมากครับรขอให้ชื่อที่ชวนคนอ่านนะครับรแล้วผมอยากจะดาวว่าหนังสือเล่มเนี้ยน่าจะเป็นที่ที่คนอานามไปแจกจ่ายแพร่หลายกันมากด้วยเพราะเมาองไทยกําลังวิกฤตจริงๆ<อ>คนจะล้มละลายกันเพียบเลยครับงงก็มองง่ายก็เช่น สู่ความเป็นไทยที่ไรนี่